นะโมตัสสะปะกวะโาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตโาาโสมัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตโาาโสมัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลาจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง พระอคนั้นฟังธรรมคำพุท ธ, ธะชาวิโสตนสูตรมัจจิมนิกายเล่มที่14ข้อที่166มีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาทะบินทิศเศรษฐีได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่า พิสูจทั้งหลายภิสูจน์ใดในธรรมะในนี้เมื่อพยากรณ์อรัตผลว่าข้าพเจ้ารู้ชัดแล้วว่าการเกิดของข้าพเจ้าสิ้นแล้วเพรามจันได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําได้ทําสําเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทําเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกอังนี้พวกเธอทั้งหลายอย่าพึ่งรับรอง อย่าพึ่งคัดคา้านคำกล่าวของพี่สุรูปนั้นครั้นไม่ยินดีไม่คัดค้านแล้วพึ่งถามปัญหากับเธอผู้นั้นว่าท่านผู้มีอายุโวหารสี่ประการเหล่านี้มีอยู่อันพระผู้มีพระภาคผู้รู้ผู้เห็นผู้อรันตัส ม, มารสมุทธะตรัสไว้โดยชอบคือความมีปกติกล่าวว่าเห็นแล้ว ในสิ่งที่ได้เห็นความมีปกติกล่าว so well. ว่าได้ฟังแล้วในสิ่งที่ได้ฟังความมีปกติกล่าวว่ารู้สึกแล้วในสิ่งที่ได้รู้สึกและความมีปกติกล่าวว่ารู้แจ้งแล้วในสิ่งที่ได้รู้แจ้งก็ท่านรู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรจิตของท่านจึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไม่ยึดถือในโวหารทั้งสี่ประการนั้นดังนี้ภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุนั้นเป็นขีณาศพมีพรหมจรรย์อยู่จบแล้วมีกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วมีภาระอันปร่งลงได้แล้วมีประโยชน์ตนตามรู้ถึงแล้วมีสังโยชน์ในภพสิ้นไปรอบแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะ รู้ดอยชอบจริงทำที่พิสูจน์นั้นสมควรจะตอบในคำถามนั้นย่อมมีอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายก็ในสิ่งที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วนั้นข้าพเจ้าไม่เข้าหาไม่ถอยหนีไม่อาศัยไม่ผูกพันแต่ข้าพเจ้าพ้นจากอำนาจแห่งมันปราศจากกิเลสเครื่องร้อยรัดอยู่ ด้วยจิตที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วให้เป็นจิตปราศจากเกียรติแ ด, ดนอยู่ท่านผู้มีอายุในสิ่งที่ฟังแล้วก็ดีในสิ่งที่รู้สึกแล้วก็ดีในสิ่งที่รู้แจ้งนั้นแล้วก็ดีข้าพเจ้าก็ไม่เข้าหาไม่ถอยหนีไม่อาศัยไม่ผูกพันแต่ข้าพเจ้าพ้นจากอำนาจของมันปราศจากกิเลส เรื่องร้อยรัดอยู่ด้วยจิตที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วให้เป็นจิตปราศจากเกียรติแดนอยู่ท่านผู้มีอายุเมื่อข้าพเจ้ารู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตของข้าพเจ้าจึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นในโวหารทั้งสี่เหล่านี้อย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเมื่อพิกษุผู้นั้น ตอบอย่างนี้เธอพึงยินดีอนุโมทนาในคำกล่าวของข่าวว่าสาธุดังนี้ครั้นพวกเธอยินดีอนุโมทนาดังนั้นแล้วพึงตามปัหาให้ยิ่งขึ้นไปว่าท่านผู้มีอายุก็ความยึดถือในขันต่างห้าคืออุปทานขันต่างห้าเหล่านี้มีอยู่อันพระผู้มีพระภาคผู้รู้ผู้เห็น ผู้อรันตตะสมมาสมุทธ h ตรัสไว้แล้วโดยชอบคือความยึดมั่นถือมั่นในขันคือรูปความยึดมั่นถือมั่นในขันคือเวทนาความยึดมั่นถือมั่นในขันคือสัญญาความยึดมั่นถือมั่นในขันคือสังขารและความยึดมั่นถือมั่นในขันคือวิญญาณก็ท่านผู้มีอายุรู้อยู่อย่างไร เห็นอยู่อย่างไรจิตของท่านจึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันตั้งห้าเหล่านั้นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายถ้าภิกษุผู้นั้นเป็นขีณาศพมีประมรจันอยู่จบแล้วมียิจที่ควรทาได้ทาสาเร็จแล้วมีภาระอันโปร่งลงได้แล้ว มีประโยชน์ตนอันตามรู้ถึงแล้วมีสังโยชน์ในพบสิ้นไปรอบแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบจริงธรรมะที่ภิกษุนั้นสมควรจะตอบในการตามข้อนี้ย่อมมีอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุก็ข้าพระเจ้ารู้แจ้งว่ารูปเป็นสิ่งที่ไร้กำลังไม่น่ากำหนัด ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจนังนี้แล้วข้าพเจ้ารู้ชัดว่าจิตของข้าพเจ้าหลุดพ้นแล้วเพราะความสิ้นไปเพราะความจางคลายเพราะความดับเพราะความสลัดคืนความสลัดทิ้งซึ่งความเคยชินเกคยนุใสแห่งการตั้งทัพและการฝังตัวเข้าไปแห่งจิตเพราะความยึดมั่นด้วย ความยึดถือคืออุปทานในรูปเหล่านั้นข้าพเจ้ารู้แจ้งว่าเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นสิ่งที่ไร้กําลังไม่น่ากําหนัดไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจดังนี้แล้วข้าพเจ้ารู้ชัดว่าจิตของข้าพเจ้าหลุดพ้นแล้วเพราะความสิ้นไป เพราะความจางคลายเพราะความดับเพราะความสละทิ้งเพราะความสลัดคืนซึ่งอนุสัยคือความเคยชินแห่งการตั้งทับและการเข้าไปฝังตัวแห่งจิตเพราะความยึดมั่นถือมั่นในเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเหล่านั้นทั้งทั้งหลายเมื่อข้าพเจ้ารู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้จิตของข้าพเจ้าก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นในอุปทานขันท์ทั้งห้าเหล่านั้นภิกษุต้งหลายเมื่อภิกษุนั้นตอบอย่างนี้พวกเธอพึงยินดีอนุโมทนาในกา ร, รกล่าวของภิกษุนั้นว่าสาธุครั้นพวกเธอยินดีอนุโมทนาดังนั้นแล้ว พึงถามปัหาให้ยิ่งขึ้นไปว่าท่านผู้มีอายุก็ธาตุทั้งหกอย่างเหล่านี้มีอยู่อันพระผู้มีพระภาคผู้รู้ผู้เห็นผู้อรันตะสัมมาสัมพุทธะตรัสไว้แล้วโดยชอบคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุช่องว่างคืออากาศธาตุและวิญญาณธาตุ ก็ท่านผู้มีอายุรู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรจิตของท่านจึงหลุดพน้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นในธาตุทั้งหก อ, อย่างเหล่านี้พิสุทธ์ทั้งหลายถ้าภิกษุผู้นั้นเป็นขีณาศพมีประมาจันอยู่จบแล้วมีกิตจที่ควรทำได้ทําสําเร็จแล้วมีภาระอันปรงลงแล้ว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 ไม่เข้าถึงธทรรมอนัสัยธาตุดินว่าเป็นอัตตาแล้วและข้าพเจ้ารู้ชัดว่าจิตของข้าพเจ้าหลุดพ้นแล้วเพราะความสิ้นเพราะความจางคลายเพราะความดับเพราะความสละทิ้งเพราะความสลัดคืนซึ่งอนุสัยคือความเคยชินแห่งการตั้งทับและการฝังตัวเข้าไปแห่งจิต เพราะอาศัยความยึดมั่นด้วยความยึดถืออันอาศัยธาตุดินเหล่านั้นท่านทั้งหลายข้าพเจ้าเข้าถึงธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุและวิญญาณธาตุโดยความเป็นอนัตตาและไม่เข้าถึงธรรมอันอาศัยธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุ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 ด้วยความยึดถือในาธาตุน้ําธาตุไฟาธาตุลมอากาศาธาตุและวิญญาณธาตุทั้งหลายเหล่านั้นท่าทั้งหลายเมื่อข้าพเจ้ารู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตของข้าพเจ้าก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นในธาตุตั้งหอย่างเหล่านี้พิสุทธิ์ทั้งหลาย เมื่อภิกษุนั้นตอบคำถามในข้อนี้อย่างนี้แล้วเธอพึงยินดีอนุโมทนาในคำกล่าวของภิกษุนั้นว่าสาธุครนั้นพวกเธอยินดีอนุโมทนาดังนั้นแล้วพึงถามปัญหาให้ยิ่งขึ้นไปว่าท่านผู้มีอายุก็อายตนะภายในและภายนอกอย่างละหกอย่างเหล่านี้มีอยู่ อันพระผู้มีพระภาคผู้รู้ผู้เห็นผู้อรหันตตาสมมาสมพุทธะตรัสไว้แล้วโดยชอบคือตาและรูปหนึ่งหูและเสียงหนึ่งจมูกและกลิ่นหนึ่งลิ้นและรสหนึ่งกายและปวดตาหนึ่งมโนและธรรมารมณ์อีกหนึ่งก็ท่านรู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรจิตของท่านจึงหลุดพน้น จากอาสวัทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นในอายตนะทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกอย่างละหกหกเหล่านี้อย่างนี้พิสุทธั้งหลายถ้าพิกสุ์นั้นเป็นขีนาศพมีประมาจันอยู่จบแล้วมีกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วมีภาระอันบลงลงแล้วมีประโยชน์ตน อันตามรู้ถึงแล้วมีสังโยชน์ในพบสิ้นไปรอบแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบจริงสิ่งที่ภิกษุนั้นสมควรจะตอบในคำถามข้อนี้ย่อมมีอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้ารู้ชัดว่าฉันทะราคะความเพลินและตัณหาความเคยชิน แห่งการตั้งทับการเข้าไปฝังตัวแห่งจิตเพราะความยึดมั่นด้วยความยึดถือใดๆในตาในรูปในความรู้แจ้งทางตาในธรรมทั้งหลายอันรู้ได้ด้วยการรู้แจ้งทางตามีอยู่เพราะความสิ้นไปเพราะความจางคลายความดับความสลัดทิ้งความสลัดกืนซึ่งความพอใจ ซึ่งราคะซึ่งความเพลินซึ่งตัณหาความเคยชินแห่งการตั้งทับและการฝังตัวเข้าไปแห่งจิตเพราะความยึดมั่นด้วยความยึดตือนั้นๆแล้วจิตของข้าพเจ้าก็หลุดพ้นแล้วหนังนี้ข้าพเจ้ารู้แจ้งชัดว่าความพอใจราคะความเพลินตัณหาความเคยชิน แห่งการตั้งทับและการฝังตัวเข้าไปแห่งจิตเพราะอาศัยความยึดมั่นด้วยความยึดถือใดๆในหูจมูกลิ้นกายและใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะและธรรมารมณ์เหล่านั้นมีอยู่และเพราะความสิ้นไปเพราะความจางคลายความดับความละทิ้งความสลัดกืนซึ่งความพอใจ ราคาความเพลินในสิ่งต่างๆเหล่านั้นจิตของข้าพเจ้าก็หลุดพ้นแล้วดังนี้ท่านทั้งหลายเมื่อข้าพเจ้ารู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตของข้าพเจ้าจึงหลุดพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นในอายตนะทั้งภายในและภายนอกอย่างละหกเหล่านั้นพิสุทิ์ทั้งหลาย พวกเธอพึงยินดีอนุโมทนาในคำตอบของภิกษุนั้นว่าสาธุครั้นพวกเธอยินดีอนุโมทนาดังนั้นแล้วพึงถามปัญหาให้ยิ่งขึ้นไปว่าก็ท่านรู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรความเคยชินแห่งการถือตัวว่าเป็นเราว่าเป็นของเราในกายอันประกอบด้วยวิญญาณ น, นี้ ในในนิมิตทั้งหลายทั้งปวงในภายนอกจึงถูกถอนขึ้นด้วยดีดังนี้ภิกษุตั้งหลายถ้าภิกษุนั้นเป็นขีนาศพมีประมาจันอยู่จบแล้วมีกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วมีภาระอันโปร่งลงแล้วมีประโยชน์ตนอันตามลุถึงแล้วมีสังโยชน์ในภพสิ้นไปอรอบแล้ว หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบจริงธรรมะที่บิสษุน์นั้นสมควรจะตอบในคำถามข้อ น, นี้ย่อมมีอย่างนี้ว่าก็ในกาลก่อนเมื่อข้าพเจ้าครองเรือนอยู่ยังเป็นผู้ไม่รู้ไม่เห็นอะไรครั้นพระตถ า, าคตหรือสาวกของตถ า, าคตแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าฟังธรรมนั้นแล้วกลับได้ศรัทธานในพระตถ า, าคต แล้วพิจารณาเห็นอยู่ว่าชีวิตคราวาดเป็นของคับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีการบรรพชาเป็นทางเปิดโล่งไม่เป็นการง่ายเลยที่เราผู้อยู่คลองเรือนจะประพฤติประมาจให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้โดยส่วนเดียวเหมือนสังที่เขาขัดดีแล้วได้ถ้าไรเราจะปลงผมและนวดคลองผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือน บวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องดุริเดินเถิดอย่งนี้ครั้นสมัยอื่นอีกข้าพเจ้าก็ละกองโพคะใหญ่น้อยละบงญาติใหญ่น้อยลงผมและหนวดกรองผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนถึงความเป็นผู้ไม่มีเรือนแล้วข้าพเจ้านั้นครั้นบวชแล้วยอย่างนี้ถึงพร้อมแล้วด้วยศิกขาและสาชีพของพิฆสุทั้งหลาย ละการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์หวางท่อนไม้และสัตราเสียแล้วมีความละอายต่อบาปมีความเอนดูกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลในบรรดาสัตว์ทั้งหลายแล้วข้าพเจ้าละการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เว้นขาดจากอธินาทานถือเอาแต่ของที่เจ้าของให้หวังอยู่แต่ในของที่เจ้าของเขาให้ เป็นคนสะอาดไม่เป็นคนขโมยแล้วข้าพเจ้าละการันไม่ใช่พรหมจรรย์เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์โดยปกติประพฤติห่างไกลเว้นขาดจากการเสพเมถุนอันเป็นของชาวบ้านแล้วข้าพเจ้าละการกล่าวเทศเว้นขาดจากมูสาวาสพูดแต่คำจริงรักษาคำสัต์มั่นคงในคำพูดมีคำพูดควรเชื่อถือได้ ไม่แกล้งกล่าวบาจาให้ปิดต่อโลกแล้วข้าพเจ้าละการกล่าวคำส่อเสียดเว้นขาดจากปิดสุนวาดได้ฟังจากฝ่ายนี้แล้วไม่เก็บไปบอกฝ่ายโ น, น้นเพื่อทำลายฝ่ายนี้หรือได้ฟังจากฝ่ายโน้นแล้วไม่เก็บมาบอกฝ่ายนี้เพื่อทำลายฝ่ายโ น, น้นแต่จะสมานคนที่แตกกันแล้วให้กลับพร้อมเรียงกัน อุดหนุนคนที่พร้อมเปรียงกันอยู่ให้พร้อมเปรียงกันมากยิ่งขึ้นข้าพเจ้าละการกล่าวคำหยาบเว้นขาจากพุทสวาทกล่าวแต่วาจาที่ปราศจากโทษสนอโสดให้เกิดความรักเป็นคำฟูใจเป็นคำสุภาพที่ชาวเมืองขอพูดกันเป็นที่ใคร้ที่พอใจของมหาชนแล้ว ข้าพเจ้าลักคำพูดที่ปล่อยประโยชน์ทิ้งเสียเว้นการจากการพูดเพ้อเจ้อกล่าวแต่ในเวลาสมควรกล่าวแต่คำจริงเป็นประโยชน์เป็นธรรมเป็นวินัยเป็นวาจามีที่ตั้งมีหลักฐานที่อ้างอิงมีเวลาจบเต็มไปด้วยประโยชน์สมควรแก่เวลาแล้วข้าพเจ้าเว้นการจากการล้างผานพืชคาม และพู้ตกรรมแล้วเป็นผู้ฉันอาหารวันหนึ่งเพียงหนเดียวเว้นจากการฉันในเวลาราตรีและในเวลานอกการเป็นผู้เว้นขาดจากการรำการขับร้องการประกอมดนตรีและการดูการลเล่นชนิดที่เป็นค่าศึกแก่กุศลธรรมข้าพเจ้าเป็นผู้เว้นขาดจากการประดับประดาคือทัดสวงตกแต่งด้วยมาลาและของหอม เรื่องรูปร้รูปตาเป็นผู้เว้นขาดจากการนอนบนที่นอนสูงใหญ่เป็นผู้เว้นขาดจากการรับเงินและทองเว้นขาดจากการรับข้าวเปลือกเว้นขาดจากการรับเนื้อดิบการรับหญิงและเด็กหญิงการรับทาดทาสีการรับแพะแกะไก่สุกรช้างมาโคลาเว้นขาดจากการรับที่นาที่สวน เว้นขาดจะการรับใช้เป็นทูตไปในที่ต่างๆให้เครือหัดเว้นขาดจะการซื้อการขายการช่อโกงด้วยตาช่างการลวงด้วยของปลอมการช่อด้วยเครื่องนับเครื่องตวงและเครื่องวัดเว้นขาดจากการโกงด้วยการรับสินบนการล่อลวงการตัดการฆ่าการจำจองการซุ่มทำร้ายการปล้นการกันโชคแล้ว ข้าพเจ้าได้เป็นผู้สันโดษด้วยจีวรเป็นเรื่องบริหารกายและด้วยบินบาตดเป็นเรื่องบริหารท้องจะไปในที่ใดๆย่อมถือเอาบริขารไปได้ทั้งหมดเหมือนนกมีปีกจะบินไปในที่ใดๆย่อมมีภาระคือปีกของตนเท่านั้นบินไปข้าพเจ้านั้นประกอบด้วยกองศีลอันเป็นอริยะเช่นนี้แล้ว จึงรู้สึกพร้อมเฉพาะซึ่งอนัตวัชสุขในภายในแล้วพระพเจ้าเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจ ม, มูกลิ้มรส ด, ด้วยริ้นสัมผัสโ พ, พ, พธิภพด้วยกายหรือรู้ธรรมอารมณ์ด้วยใจก็ตามก็ <c oughs> ไม่ถือเอาโดยนิมิตไม่ถือเอาโดยอนุปยัญชนะบาปอคุศสธรรมกล่าวคือภิชาและโทมน จะพึ่งไหลไปตามพูดที่ไม่สารวมอินทรีย์เราได้เป็นเหตุข้าพเจ้าปฏิบัติเพื่อปิดกั้นอินทรีย์เหล่านั้นไว้รักษาถึงการสํารวมอินทรีย์ทั้งหลายข้าพเจ้านั้นประกอบด้วยอินทรีย์สังวรอันเป็นนรยะเช่นนี้แล้วจึงรู้สึกถึงพร้อมด้วยอัพยาเสกสุขข้าพเจ้ารู้ตัวรอบครอบในการก้าวไปข้างหน้า รู้ตัวรอบครอบในการถอยกลับไปข้างหลังรู้ตัวรอบครอบในการแลดูการเลี้ยวดูรู้ตัวรอบครอบในการคู่การเหยียดการทรงสังกติบาจิบอลรู้ตัวรอบครอบในการชันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มรู้ตัวรอบครอบในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะรู้ตัวรอบครอบในการไปการหยุดการนั่งการนอนการหลับการตื่น การพูดและการนิ่งแล้วข้าพเจ้านั้นประกอบด้วยกองศีลอันเป็นนริยะเช่นนี้ด้วยประกอบด้วยอินทรีสังวรอันเป็นนริยะเช่นนี้ด้วยประกอบด้วยสติสัมปชัญญะอันเป็นนริยะเช่นนี้แล้วด้วยได้เสพเสนาสะนะอันสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกห้วยท้องถำ ป่าช้าป่าชัดที่แจ้งหรือหลอมฟังในเวลาเป็นภายลังอาหารกลับจากการสแสวงหาอาหารแล้วก็นั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าและนิวรทตั้งห้าประการอันเป็นเรื่องเศร้าหมองใจทำบรรยายน้อยกำลังเหล่านี้ได้แล้วก็สงัดจจากกรรม ละอกุศลธรรมทั้งหลายเข้าถึงปฐมฌานอันมีวิตกวิจารณ์มีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในตําแหนได้เพราะสงบวิตกวิจารณเสียได้ซึงบรรลุฌานที่สองเพราะความดับไปแห่งปีติย่อมอยู่เบกขาซึงบรรลุฌานที่สเพราะความที่โสมนัสและโตมนัสดับหายไปในการกร่อน จึงบรรลุชาณที่4ข้าพเจ้านั้นครั้นจิตตั้งมั่นบริสุทธ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติที่อ่อนโยนควรแก่การงานตั้งอยู่อย่างไม่หวั่นไหวเช่นนี้แล้วก็ได้น้อมจิตไปเฉพาะต่ออาสวัคขยาญาณคือความรู้ในการที่จะสิ้นอาสวะคือข้าพเจ้าได้รู้ชัดแล้วตามที่เป็นจริงว่า นี้คือทุกนี้คือเหตุให้เกิดทุกนี้คือความดับไม่เหลือของทุกและนี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข้าพเจ้ารู้ชัดตามที่เป็นจริงว่าเหล่านี้คืออาสวะนี้คือเหตุให้เกิดอาสวะนี้คือความดับไม่เหลือแห่งอาสวะนี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอาสวะดังนี้เมื่อข้าพเจ้ารู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้จิตก็หลุดพ้นแล้วแม้จากอาสวะคือกามอาสวะคือภพและอาสวะคืออภิชาเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็เกิดญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วข้าพเจ้าได้รู้ชัดแล้วว่าการเกิดสิ้นแล้วประมจันได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำ เพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกอย่างนี้ท่านทั้งหลายเมื่อข้าพเจ้ารู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้ความเคยชินแห่งการถือตัวบ้าเป็นเราว่าเป็นของเราในกายอันประกอบด้วยวิญญาณ น, นี้และในนิมิตทั้งหลายทั้งปวงในภายนอกจึงถูกถอนขึ้นด้วยดีนังนี้พิสูจนทั้งหลาย เมื่อภิกษุนั้นตอบอย่างนี้เธอเพึ่งยินดีอนุโมทนาในคำกล่าวของภิกษุนั้นว่าสาธุกะนั้นพวกเธอยินดีอนุโมทนาว่าสาธุดังนี้แล้วเพึ่งกล่าวแก่ภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าข้อนี้เป็นลาภของพวกเราเนอะพวกเราได้ดีแล้วหนอะที่พวกเราได้พบเห็นเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์เช่นกับท่านดังนี้ จวิโสธนะสูตรจบฟังธรรมคำรรพุท ธ, ธะ